Mm-hmm. ผมต้องเคารพยามเกรงคุณแม่ยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีกตราบใดที่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่กระผมกระทำอย่างนั้นไม่ได้เลยว่าแล้วมานบนุ่มก็แกล้งคเค้าเคลียเอาใจหญิงชรายิ่งขึ้นพ่อหนุ่มหญิงชราพูดด้วยเสียงสานเครือเธอจะปฏิบัติเราไม่ทอดทิ้งเราจริงๆนะข้อนี้กระผมรับรองได้คุณแม่ถ้าอย่างนั้นจะขัดข้องอะไรกับชีวิตของลูกชาย เธอฆ่าเขาเสียก็สิ้นเรื่องกระผมจะฆ่าได้อย่างไรครับคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนศิละปะศาสตร์ให้กระผมและก็ดีต่อกระผมเหลือเกินกระผมฆ่าทำไม่ได้ดอกมานพยืนยันเธอรับรองแน่นะว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งฉันข้อนี้กระผมรับรองครับคุณแม่ถ้าอย่างนั้นเมื่อเธอฆ่าไม่ได้ฉันจะฆ่าเขาเองหญ<อ>ิงชราพูดอย่างแข็งขัน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 อาจารย์ได้รับทราบจากชายหนุ่มเป็นระยะระยะตลอดมาเมื่ออาจารย์ได้ทราบจากชายหนุ่มว่ามารดาของตนคิดจะฆ่าตนทีแรกก็รู้สึกสลดใจเล็กน้อยแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เป็นผู้ที่รู้เรื่องอย่างนี้ดีอยู่แล้วจึงวางเฉยได้ในไม่ช้าและตรวจดูอายุไขของมารดาตนทราบว่าถึงอย่างไรอย่างไรมารดาก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้แล้ว ถึงเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นมารดาก็จะต้องตายในวันพรุ่งนี้จึงต้องการจะสอนสิทธิ์ให้รู้แน่ในวิชาอาสาตรมุนจึงบอกชายหนุ่มให้ไปตัดไม้ต้นหนึ่งทำให้มีลักษณะคล้ายรูปคนแล้วนำมาวางไวบ้บนเตียงนอนของอาจารย์เอาผ้าคลุมเอาเชือกขึงจากห้องมารดาทำเป็นราวมาสู่ห้องของตนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มเข้าไปในห้องของมารดาอาจารย์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 เขาได้เตรียมแผนการไว้พร้อมแล้วนี่ขวานคุณแม่เดินไปตามเส้นเชือกติดขึงไวน้นี้ปลายเชือกไปสุดลงที่ใดที่นั่นเป็นเตียงนอนของอาจารย์เวลานี้อาจารย์นอนหลับแล้วพอสุดปลายเชือกเอี้ยวตัวมาทางขวานิดเดียวก็จะตรงคออาจารย์พอดีคุณแม่ฟันทีเดียวให้คอขาดแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกต่อไปหญิงชราในตาฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะเห็น เดินก็ไม่ค่อยถนัดเพราะความแก่เท่ารับกวานจากชายหนุ่มแล้วงกงันเดินคลำเส้นเชือกไปใจของเธอเวลานี้ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะถูกความสเสน่หาเร่งเร้าจะปร่งใจข้าแม้แต่ลูกของตนเองซึ่งมีความดีทุกประการเมื่อเดินคลำเส้นเชือกมาถึงปลายสุดหญิงชราก็เยี่ยวตัวคลำดูบนเตียงมองเห็นรางๆเหมือนภาพคนนอนคลุมผ้าอยู่ แน่ใจว่าเป็นลูกชายตนจึงจ้วงคมขวานลงสุดแรงคมขวานกระทบไม้ดังโผลนางรู้ตัวว่าถูกหลอกเสียแล้วตกใจอย่างยิ่งประจวบกับความชรามากถึงแล้วซึ่งอายุไขหัวใจวายสิ้นใจตายจุนะที่นั่นเอง อาจารและสิทธิ์หนุม่มเฝ้าสังเกตการอยู่โดยตลอดสังเวชสลดใจเป็นที่ยิ่งทั้งสองยืนเศร้าซึมอยู่ใกล้ๆล่างของหญิงชราอยู่เป็นเวลานา น, น, น, นในที่สุดอาจาร์ก็กล่าวขึ้นว่ามานพเธอได้เรียนอาส า, าตะมนจบเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มสุดตัวลงกราบอาจาร์และกอดเท้าทั้งสองไวพรำรำพันถึงเมตตากรุณาของอาจารที่มีต่อตนน้ำตาของเขา หยดลงสู่หลังเท้าของอาจารย์ในขณะนั้นความรู้สึกของเขาสับสนวุ่นวายจนไม่อาจจะพน า, นาได้ว่าเป็นชันใดนี่เองอาสาตมมนที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียนช่างเป็นวิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างล้นเหลือพระผู้มีประภาคตรัดเล่าเรื่องอาสาตมนจบลงแล้วทรงเพิ่มเติมว่า ดูก่อนอุปกาความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตันหาอุปาทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษเท่านั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลมาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นฟังสักแต่ว่าฟังรู้ สักแต่ว่าได้รู้เข้าปิกเกียวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงแต่สักว่าไม่ลหลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปร่งแจม่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนอุปะกาเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อถอนอัตตาทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประกาศนี เธอจะเบาสบายคลายทุกคลายข้างบนไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมอุปะกะได้ทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าคลายสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดออกเป็นปลอกๆได้บรรลุอนาคามิผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่สามด้วยประการัชนี นำท่านมาสู่บริเวณสารวุณทยานกรุงกุสินาราอีกครั้งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระกายในท่าสีหศาศัยยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปกว้างออกไปประดุจ ด, ดวงจันทร์ที่ถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มดวงดาวก็ผ่านกันพระพุทธองค์ตรัสกับพระอนุน์ว่า อนนเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีาศาสดาแล้วจะพึงว้าเวไร้ที่พึงอา น, นุนเอยพึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติไว้แล้วขอให้ธรรมวินัยอั น, นั้นจงเป็นาศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึง่ง อย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานน์อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสั่งเธอไว้คือบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าอาวุโสอาวุโสทั้งผู้แก่และผู้อ่อนต่อไปนี้ขอให้ภิกษุผู้แก่กว่าเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าว่าอาวุโสส่วนภิกษุผู้อ่อนราษากว่าพึงเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายสมา พรพันตามควรแก่คาระวะโอหารอา น, นุนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉันนะเธอเป็นพระที่ดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเราเคยใกล้คิดเรามาก่อนใครๆหมดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้สงฆ์ลงพรหมทานแก่พระฉนะันนคือเธอปรารถนาจะทาจะพูดสิ่งใด หรือประสงค์จะอยู่อย่างไรก็ให้เธอทำพูดและอยู่ตามอัธยาศัยของเธอสงไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอนี่เป็นวิธีพรหมทานคือการลงทันที่หนักที่สุดแบบอริยะอานอนท์อีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้เพื่อพิสุทั้งหลายจะได้อยู่ร่วมกันอย่างพาสุไม่กินแหนงแลงใจกันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สิกขาบทบัญยัติเหล่านั้นมีอยู่เป็นจนํานวนมากเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพร้อมใจกันจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยซึ่งขัดกับการกับสมัยเสียบ้างก็ได้การเวลาล่วงไปสมัยเปลี่ยนไปจะเป็นความลําบากในการปฏิบัติสิกขาบทที่ไม่เหมาะกับสมัยเช่นนั้นเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เมื่อพระอนุนไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่ามาอยู่เฉพา ะ, ระาพระภักภาษาสดาแล้วก็ไม่ได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปริมนท น, นิพานสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลย แม้จะมีพุทธบริษัทมาประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปราถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพันเหือดแห้งหายไปมิได้ปรากฏแกสายตาถึงกระนั้นพระบร ม, มโล ก, ก น, นา์ก็ยังประทานบัจฉิมโอวาท เป็นพระพุทธดํารัสตอนสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนท่านทั้งหลายให้จําไว้ว่าสิ่งทั้งหลายมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปัจชิมยามพระจันท์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตวันตกแล้วแสงโสมสาสองผ่านทิวไม้ลงมา ท้องฟ้าเคลี่ยงเกลาวปลาสจากเมฆหมอกรัศมีแจ่มจรัสดูเหมือนว่าจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสรวลลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระาศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนศสนิทพระอนุรุธทธเทระซึ่งเป็นพระเทระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้น และได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักรสุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วเข้าสู่อรู ป, ปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาเจตนะเนวสัญญาณาสัญญายจตนะ และสัญญาเวทยิตานิโรธตามลำดับแล้วถอยกลับจากสัญญาเวทยิตานิโรธจนถึงปฐมฌานและเข้าปฐมฌานะชจนถึงจตุตฌานอีกเมื่อออกจากจตุตฌานยังไม่ได้ทันได้สู่อากาสานัญนจานะพระองค์ก็ปรินิพานในระหว่างนั้นในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลาย พระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนม์อาชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองตลอดเวลา45พรรษาที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นทรงลำบากตรากตรำอย่างยิ่งยวดทรงเสเวยเพียงวันละมือเพียงเพื่อให้มีพระชนอยู่เพื่อประโยชน์โลกพระอักขละสาวกทั้งสองได้บ ร, ริญญิพานไปก่อนแล้ว นิครนนาตบุตรหรือาศาสดามหาวีระคู่แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศพระาศาสนาก็ได้สิ้นฉีบไปแล้วอุบาสกผู้เสียสละอย่างยิ่งเช่นอนาถปินติก ะ, ะหะอดีก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้วทั้งผู้เป็นมิตรและตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธองค์ต่างก็ทยอยกันเข้าไปสู่ปากแห่งบรณะกันตามลาดับตามลาดับแม้พระองค์จะปรินิพานไป แต่ว่าศาสนายังอยู่เพราะธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงอยู่เป็นประทีปสองโลกต่อไปจำนวนผู้เคารพเลื่อมใสในศาสนาธรรมของพระองค์ได้เพิ่มเออสูงขึ้นเหมือนน้ำที่บาสูงขึ้นโดยไม่มีเวลาลดรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างลงแล้วอย่างแท้จริงในจิตใจของมนุษยชาติ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 เพียงเพื่อหาเพื่อนผู้จะรับคำแนะนำของพระองค์สักห้าคนต่อมาบาัดนี้พระองค์มีพระภิกษุสงฆ์สาวกเป็นจำนวนแสนเป็นจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทิสานูทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์พระคนทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งของเขาเมื่อสสิ้าปีมาแล้วทรงมีเพียงหญ้าคามัดหนึ่งที่ในโสติยานถวาย และทรงทาเป็นที่รองประทับมาบัดนี้เสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายแด่พระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกรรมพวันมหาวันปุารามนิคโครธารามโคสิตารามเป็นต้นเศรษฐีกะหบดีต่างแย่งชิงกระจองเพื่อให้พระองค์รับพระตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ คงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดดีและไม่ยืนานานถึงป่า น, นี้เมื่อ45ปีมาแล้วภายใต้โปลพฤึกอารมเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาระทั้งคู่และความเย็นเยือกแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับขันแล้วซึ่งขันธะนิพานสม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 เหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบดิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมยสยะสูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบายหน้าไปสู่ความตายเหมือนผาชนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่นัก ไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยความตายได้ก้าวเข้าไปสู่ปราสาแทแห่งกษัตริธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกททานใดๆเช่นเดียวกับการก้าวเข้าไปสู่กระท่อม น, น้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการ และอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคล่ำครวนอันรบกวนด้วยกลิ่นทูบและควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากความหวังของทุกคนหลุดลอยและและ้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้น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 จะตอกอกับพระยามาจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พระยามัจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทาให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทามา แต่ก็พยามัจจุราชี่เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสที่ยังไม่ควร ฉายของหญิงงามสะลานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิพภพเธอผู้งามพร้อมนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปราณีใค ร, รเรม่อดาบแห่งมัจจุร า, ธธ า, าชฟาดฟันลงใช้บ่วงอันมีมหิตทานุภาพยิงนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้ว ร่างอันงดนามร้าวการเมตุนให้กวาเพิบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้เสียอีกเพราะว่าไม่อาจนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็มีได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมู่หนอนเข้าชอนชให้ปลุกทุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้ นอกเสียจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประกาศฉนีเจ้าของแห่งเรือนร่างทดงามพลิ้งเพล่าทามัวแต่มาในร่างอันไร้สาระของตนไม่ได้ควนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิดที่ปูถนนได้อย่างไรเพราะผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานไปแล้ว ร่างกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปนานเท่าใดไม่อาจจะกำหนดได้แต่ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐละทิ้งวิบากขันอันท ร, รมานเข้าสู่สีวโมก์มหาปรินิพานนั้น เหตุอัศจรรย์ก็บรรดาให้เป็นไปทั่วท้องธรณีและสากลจักรวาลโลกธาตุมหาปตพีดลนถึงสามารถรองรับนานาสังขารลักษณะเช่นภูเขาสิเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจจะทนอยู่ได้แสดงกรรมนาฏการหวั่นไหวอีกทั้งห่วงมหนพบก็กำเริบตีฟองขนองคลื่นคลันณรือนาสนันทั่วท้งสาครมูมัดฉา ป, ปานกชาตมังกรผุดดำ กระทำศัพท์ภายนลึโคตประดุดเสียงเทวนาการการแท่ซองโศกาดูนกำสดท้องฟ้านภ า, ากาศก็มืดมัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงปืนคลั่นสนั่นทั่วทั้งเวหาเหมือนแสดงอาการลาคล่ำครวญถึงพระองค์พระโลกนาฏผู้จากไปมองลงมายัางพื้นปตพีนัสาลวนโนทยานมณฑลซึ่งคลาคล่ำไปโดยสาสนิกชนพุทธบริษัท อารามไปด้วยกาสาวพัดอําไพพันธุ์และถวยนาครผู้มีความอะไรในพระศาสดาผูเสียงก้องกังวานระคนเศร้าของพระอา น, น์พุทธอนุชาประกาศออกมาว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วเท่านั้นเสียงร่าไห้ระงมขึ้นพร้อมกันประดุดเสียงจักจันเรไรกรีดร้องยามย่ำสนธยาทั้งกรหัดและบรรพชิตที่ยังเป็นปุตุชน ไม่อาจจะอดกลั้นอสุชนทาราไว้ได้ร่ำร้องโหยไห้ประดุดปิดาแห่งตนสิ้นชีพลงพร้อมๆกันณบริเวณสารวันเปียกชุ่มไปด้วย น, น้ำตาเหมือนพระพิรุณโปรยลงมาเป็นครั้งคราวเสียงรำ่ำไห้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุสินารานคร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 พระอนุรุธทธะและพระอนุนได้สับเปลี่ยนกันแสดงธรรมปลอบพุทธบริษัทให้คลายโศกด้วยพระธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตด้วยตรลักษณาการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาข่าวการดับขันธปรินิพานของประผู้มีประภาคเจ้าได้แพร่สะบัดไปอย่างรวดเร็วจากแว้นสู่แว้นจากราชธานีสู่ราชธานีจากนิคมสู่นิคมและจากชนบท สู่ชนบทตลอดทั่วชมพูทวีปภาระตะวัรทั้งหมดสั่นสะเทือนวิปรโยคประดุดบุรุษผู้มีกำลังดึงย่านเถาวันอันเกี่ยวพันกับลุกกสาขายังความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมณฑลแห่งลุกชาติก็ปานกันไอแห่งความเศร้าสลดแพ่กระเซน็นสากระจายไปทั่วคันธสีมาอนาเขตประหนึ่งละอองฝนกระจายไปทั่วพื้นเมธนีชมพูทวีปทั้งหมด เคลิ้มไปด้วยแม่คือความโศกและความชุ่มโชกโดยละอองฝนคือปริเทวนาการต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประการาชดี กำหนดเก็บพระพุทธสตรีระไว้เป็นเวลาหราตรีในวันที่7ก็จะทำพิธีถวายพระเพลิงณมกุฏตณันธนะเจดีในระหว่างหก่วาราตรีนั้นมหาชนจากทิศานุทิศได้เดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระบริเวณอุทยานสารวันปานประหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาวทั้งนี้พราะชาวชมพูทวีปไว้ทุกขีชุดขาวล้วน พระพุทธอนุชา อ, อนุนต้องรับภาระหนักเป็นพิเศษแม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใดแต่ก็มีบางครั้งเมื่อท่านเห็นคนทั้งหลายเศร้าโศกท่านก็อดที่จะเศร้ากำสดตามไม่ได้เพราะอะไรในพระาศาสดามีอยู่ในจิตใจของท่านสุดประมาณเมื่อถึงวันที่7พระพุทธสรีระก็ถูกนำไปสู่มกุฏพันธนะเจดีด้านบุรพากุสินารานครเตรียมถวายพระเพลิง พอดีมีข่าวมาว่าพระมหากษสปะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องมากกำลังเดินทางจากเมืองปาวาจนจะถึงอยู่แล้วคณะมรลกษัตย์และพระ อ, อ น, นุ์จึงให้หยุดการถวายพระเพลิงไว้ก่อนรอจนกระทั่งพระมหากษะสปะมาถึงพิธีจึงเริ่มขึ้นโดยมีพระมหากระสปะเป็นประธาน ผ้า498ชั้นที่หอพระพุทธสรีระนั้นถูกไฟไหม้หมดเหลืออยู่เพียงสองชั้นไฟไม่ไหม้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างสมบูรณ์มิให้กระจัดกระจายผ้าสองชั้นในที่สุดที่ใช้หอพระพุทธสรีระนั้นเป็นผ้าพิเศษเรียกว่าอคิโวทานทุศะตามตัวอักษรแปลว่าซักด้วยไฟ ผ้าชติตีทำด้วยใยหินไฟไม่ไหม่เมื่อใช้ไปนานๆต้องการจะซักต้องโยนเข้ากองไฟผ้าจะสะอาดดังเดิมอีกครั้งหนึ่งที่เสียงปริเทวนาการดังระ ง, งมไปทั่วปริบนทนแห่งมกุฏตพันธนะเจดีอันเป็นที่ถวายประเพลิงพุทธสรีระอสุชลธานทารา ล, ลางไหลชุ่มโชคไปทั่วทุกใบหน้าเขาเหล่านั้น เป็นประดุษฝูงวิหกนกกาที่เคยจับโพธิพฤกษ์หรือมหานิโครดอันสมบูรณ์ได้ลำต้นและกิ่งก้านสาขามีเงาคลึมสะพัง้ดยพลาผลอันเอมโอดเมื่อโพหรือตน้นสายนั้นล้มลงยังความเศร้าสลดแก่ฝูงวิหกสุดประมาณครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นไม้นั้นถูกเผาไหม้หมดไม่อาจมองเห็นได้ต่อไปนกเหล่านั้นจะเศร้าโศกสักปานใด ไทยเล่าจะรู้ซึ้งไปกว่าผู้ประสบเองโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐนี่คือเสียงคล่ำครวนพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุจพ่วงมหานพมีน้ําพระไทยสายบริสุทธิ์ดุจน้ําค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระไทยหนักแน่นดุจมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ หวนวหวเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประกาศแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุดพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างให้โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปรินิพพานเสร็จแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปลายธรรมรัตนะประหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุข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 ทิ้งวีบาคันและกิเลสานุสัยทั้งปวงประดุดกองไฟดับลงแล้วเพราะหมดเชื้อฉะนั้น เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วพระมหากระสปะได้ให้ประชุมสงฆ์ปราลบเพื่อทำสังขยาพระธรรมวินัยนัดหมายให้ทรงจำกันได้ว่าทำอันใดวินัยอันใดพระผู้มีพระภาคทรงสั่งและทรงสอนไว้ว่าอย่างไรทั้งนี้โดยคำนึงคํากล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยและพระศ า, ศาสดาของพิสุขชรานามว่าสุพัทธา ท่านกล่าวท่ามกลางมหาสมาคมว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายสมัยเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาจากกรุงปาวาสู่ปุสิณารานคอนี้มีภิกษุเป็นอันมากเป็นบริวารขณะมาถึงกึ่งทางข้าพเจ้าได้สดับข่าวพระนิพพานของพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพุทุชนยังมีอาสวะอยู่ไม่อาจจะอดกลั้นความเศร้าโศกไปได้ ต่างก็ปริเทวนาการคล่มคลวนถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นส่วนภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ปรงธรรมสังเวทแบบอริยชนแต่มีภิกษุนอกข้อกรูปหนึ่งบวชแล้วเมื่อชรานามว่าสุภาาัฏะได้กล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกเลยพระสมณะโคโดมนิพพานเสียก็ดีแล้วพวกเราจะได้เป็นอิสระพระสมณโคโดมยังอยู่ คอยจู้จี้ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําคมคูคณะพวกเราทั้งหลายได้ระเบียบวินัยมากหลายเหมือนจะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ออกบัดนี้พระสัมมาคโคดมนิพพานแล้วเป็นลาภของพวกเราทั้งหลายต่อไปนี้พวกเราจะต้องการทําอะไรก็ทําได้ไม่ต้องการทําอะไรก็ไม่ต้องทําดูก่อนผู้ไม่ลหลงไหลในบ่วงมาร พระมหากัสริกล่าวต่อไปความจริงสุภัททะผู้ชราไม่พอใจพระศาสดาเป็นส่วนตัวเพราะเธอไม่เข้าใจในประผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องมีว่า คั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยเมื่อพระพุทธองค์เที่ยวจาริกโปรดเวบญยนิกรชนสเสด็จจากเมืองกุสินารานีไปยังเมืองอาตุมาสมัยนั้นสุพัทธะเป็นภิกษุบวชแล้วและลูกชายของเธอทั้งสองคนก็บวชเป็นสามเณรเมื่อพระาศาสดาเสด็จมาถึงเมืองอาตุมาสุภัทธะภิกษุก็จัดการต้อนรับพระพุทธองค์เป็นการใหญ่เที่ยวเปาประกาศชาวเมืองให้เตรียมขัดช้โภชนาหารถวายพระองค์ และให้สา ม, มนเณรลูกชายทั้งสองออกเที่ยวเรียรายชาวนครนำแอากอฮอสารปลาแห้งและเครื่องบริโภคอื่นๆอีกมากชาวบ้านผู้ศรัทธาในพระศ า, าสดาแม้ไม่ศรัทธาในสุพัทภภิกษุก็ถวายของมาเป็นจํานวนมากสุภาาัททะรวบรวมของได้เป็นกองใหญ่แล้วจัด ก, การทําเองปรุงอาหารเองเตรียมการเป็นโกลาหลุนรุ่งขึ้น พระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตตามปกติมีภิกษุตามเสด็จพอประมาณสุพัทธะได้ทราบข่าวนี้จึงออกจากโรงอาหารถือทัพีด้วยมือข้างหนึ่งมีกายขมุกขมอมด้วยขม่าวไฟรีบปิ้งออกไปตามพระศาสดาในระแวกบ้านเมื่ออยู่เฉพาะพระพักคุกเข่าข้างหนึ่งลงและชั้นข่าอีกข้างหนึ่งในท่ายองพรมประนมมือทั้งทั้งที่มีทัพีอยู่กราบทูลว่า พระผู้มีพระภาคผู้เจริญขอพระองค์เสด็จกลับเถิดอย่ากออกบินธบาตเลยขัดช้าโภชนาหารข้าพระองค์ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วข้าพระองค์อาศัยความเลื่อมใสในพระองค์เป็นที่ตั้งจึงขวนขวายเพื่อพระองค์แม้อาหารทุกอย่างข้าพระองค์ก็ปรุงเองทําด้วยมือของตนเองขอพระองค์เสด็จกลับไปสู่อารามเถิดอาหารพร้อมอยู่แล้วพระจอมมุนีประทับอยู่ระหว่างทาง ทรงมองดูสุภัทธะโดยสายพระเนตรที่แสดงอาการตำหนิและทรงห้ามถึงสองครั้งในครั้งที่สามจึงจัดว่าอย่าเลยสุภาาัทธะเธออย่ายินดีพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นเลยการบินทบาทเป็นพุทธวงศ์อาหารที่ได้จากการบินทบาทเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ยิ่งดูก่อนสุภาาัทธะอาหารที่ถวยนาครหุงเตรียมไว้เพื่อมุนีก็มีอยู่เรือละนิดเรือละหน่อย เมื่อกำลังแข่งของเรายังมีอยู่เราจะเที่ยวไปแสวงหาอาหารด้วยปีนอกงนี้ดูก่อนสุภัตธะอาหารที่เธอทำนั้นไม่ควรที่สมณะจะพึงบริโภคเป็นอกััญิญาโภชนะอันหนึ่งทางที่เธอได้อาหารมาก็ไม่สุจริตเธอไปขอของจากกระหัตที่ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่ปวารณาคือก็ไม่ได้บอกอนุญาตไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมณะไม่ควรทาอาหารบริโภคเอง ดูก่อนสุภาาัททะแม้ไส้ของเราจะขาดสะบ้านลงเพราะความหิวเราก็มายินดีบริโภคโภชนะของเธอกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรหน้าตำหนิเธอได้ทำแล้วอันหนึ่งเล่าดูสิอาการของเธอนี้เหมาะสมกับความเป็นสมณะนักหรือวิ่งออกมาทาั้งทั้งที่มือถือทพีอยู่จีวรก็ไม่ได้หมให้เป็นปริมณฑลช่างร่มรามเสือเกินดูก่อนสุภาาัททะ อย่านึกว่าเราไม่เข้าใจในเจตนาดีของเธอเรารู้และเห็นเจตนาดีของเธอแต่เธอทำไม่ถูกเจตนาดีนั่นก็พลอยก่อให้เกิดผลร้ายไปด้วยการเตรียมขัดชยโพอธนาหารไว้ต้อนรับนั้นเป็นเรื่องของครหัตเขาทำกันถ้าเธอต้องการบูชาเราก็จงตั้งหน้าปฏิบัติตามธรรมวินัยทำตนเป็นคนว่าง่ายและเลี้ยงง่ายเรียกว่าปฏิบัติบูชาเธด ดูก่อนสุภท า, าคนที่ปราศจากฮิริโอตปะมีความกล้าประดุกกามักจะมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายแต่ไร้ความสุขและความภาคภูมิใจส่วนผู้ที่มีฮิริโอตปะสงบเสงี่ยมแบบมุนีเข้าไปสู่สกุลไม่ให้กระทบกระทั่งศรัทธาและโภคะของฤหัสเหมือนมแมลงพึ่งเข้าไปในป่าดูดเอาน้ำหวานในเกสรดอกไม้แต่ไม่ให้บุปผชาติชอกช้ำนั้นย่อมเป็นอยู่ยาก แต่มีความสุขใจและภาคภูมิใจพระตถาคตเจ้าตรัสอย่างนั้น แล้วเสด็จเลยไปโดยไม่ได้สนพระไทยกับสุภาาัทธะภิกษุอีกเลยสุภัทธะทั้งเจ็บและทั้งอายแต่พูดอะไรไม่ออกจึงได้ผูกใจเจ็บพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาดูก่อนผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคมีพระไทยเป็นธรรมมาธิปไตยคือทรงถือความถูกความควรเป็นใหญ่อย่างแท้จริงแม้ใครจะทําอะไรๆเพื่อพระองค์แต่ถ้าหากว่า การกระทํานั้นไม่ถูกต้องตามทํามนองคลองธรรมพระองค์ก็ไม่ทรงยินดีด้วยแต่การกระทําของวิสูบางรูปซึ่งในสายตาของผู้อื่นดูเหมือนว่าจะเป็นการขาดความเคารพรักในพระาศาสดาดูเหมือนว่าจะไม่ห่วงใยในพระองค์แต่ว่าการกระทําอนันตถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาสาธุการอย่างเรื่องพระธรรมารามเป็นอุทาหรณ์ ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระมหากระสปะกล่าวต่อไปพระศาสดานิพพานเพียงเจ็วันเท่านั้นยังมีโมฆะบุรุษกล้ากล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยและพระศาสดาถึงเพียงนี้ต่อไปภายหน้าภิกษุผู้ลามกมีกจิตสามคิดว่าศาสนาปราศจากศาสดาแล้วจะพึงย่ำเหยียบพระธรรมวินัยสักปานใดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงประชุมกัน เพื่อสังขยานาพระธรรมวินัยตามที่พระาศาสดาเคยสอนและบัญญัติไว้เถิดต่อจากนั้นก็มีการประชุมปรึกษากันว่าควรจะทําสังขยนาณที่ใดในที่สุดก็ตกลงกันว่าควรจะทําที่กรุงราชคลึกเหลือเวลาอยู่อีกเดือนครึ่งจะเข้าพรรษาที่ประชุมตกลงกันว่าจะทําสังขยนาในพรรษาตลอดเวลาสามเดือนพระมหากระสปะ พาภิกษุหมู่หนึ่งมุ่งไปสู่ราชคฤึกพระอนุรุท ธ, ธะพาภิกษุอีกหมู่หนึ่งไปสู่กรุงราครชคฤึกเช่นเดียวกันส่วนพระอนุผูุทธอนุชามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวารเดินทางไปสู่นครสาวัตถี ทุกแห่งที่ท่านเดินผ่านไปมีเสียงคล่ำครวนประดุดวันที่พระาศาสนิพานทุกคนมีใบหน้าชุ่มด้วยน้ำตากล่าวว่าพระคุณเจ้าอนนุผู้เจริญท่านนำเอาพระาศาสดาไปทิ้งเสียนา ท, ที่ใดเล่าคำพูดสั้นๆทำให้จิตใจของพระพุทธะอนุชาหวั่นไหวและตื่นตันความเศร้าของท่านซึ่งสงบระงับลงบ้างแล้วกลับฟื้นคืนตัวขึ้นอีกเหมือนโรค อันสงบลงด้วยฤตยาและกลับกำเริบขึ้นเพราะของแสลงถึงกระนั้นท่านก็พยายามให้ความโศกสงบระงับลงด้วยการน้อมเอาโอวาทของพระาศาสดาประคับประคองใจแล้วก็ปลอบโยนพุทธศาสนิกให้คลายโศกด้วยเทศนาอันกล่าวถึงไตร ล, ลักษ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วเดินทางมาโดยลาดับจนกระทั่งลุถึงสาวัตถีราชธานี เข้าไปสู่เชตวนารามมีพุทธบริษัทมาแวดล้อมแสดงอาการเศร้าโศกถึงพระศาสดาอีกพระอนุลพุทธะอนุชาเข้าไปสู่ประคันตะุูดีที่พระผู้มีพระภาคเคยประทับมอบลุงกราบที่พุทธาธเก็บกวาดเสนาสนะให้เรียบร้อยตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้เหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ประชาชนชาวสาวัตถีได้แสดงอาการดังนี้ แล้วหวนคิดถึงความหลังครั้งเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนมอาชีพอยู่สุดที่จะหักห้ามความตื้นตันและความเศร้าหมองได้จึงหลั่งน้ําตาอีกทั้งหนึ่งประหนึ่งว่าน้ําตาข้างหนึ่งหลั่งไหลเพราะสงสารพระพุทธานุชาและอีกข้างหนึ่งเพราะคํานึงถึงความอรัยรักในพระผู้มีพระภาคเจ้าความอรัยรักและความสงสารเมื่อรวมกันจิตใจของผู้นั้นจะเป็นประการใด เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยทรมานกายมานานตั้งแต่พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวนจนถึงพระองค์ปริณิพานและงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระล้วนแต่เป็นงานหนักทั้งสิน้นพระพุทธอนุชามีสิ่งหมักหมมในร่างกายมากจึงต้องฉันยาระบายเมื่อมาถึงเชตวนารามนั่นเองทั้งนี้เพื่อขับทายสิ่งหมักห ม, มมในร่างกายออกเพื่อให้สรีระกับพลี้กระเป่าขึ้นวันรุ่งขึ้น จากวันที่ฉันยาระบายแล้วสุภามานพอุดแห่งโตเทยพรามณ์ได้ส่งคนมาอาราธนาพระอา น, นุ์เพื่อไปฉันที่บ้านของตนพระอานนุ์ขอเลื่อนเวลาไปอีกหนึ่งวันโดยแจ้งให้ทราบว่าเพิ่งฉันยาระบายใหม่ๆไม่อาจเข้าไปสู่แวกบ้านได้อีกวันหนึ่งจึงเข้าไปสู่นิเวศของสุภามานพโตเทยบุตรพร้อมด้วยพระเจตกะสุภามานพถามว่า พระผู้มีพระภาคมันยังทรงพระชนอยู่นั่นพระองค์ทรงสอนเรื่องอะไรอยู่เป็นเนื้งนิดพระพุทธอนุชาพิาชนาว่าพระองค์ทรงย้ำหนักในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาจุดมุ่งหมายแห่งพรหมจารนี้อยู่ที่ความหลุดพ้นจากกิเลสาสวะทั้งมวลศีล ส, สมาธิและปัญญานั้นเป็นเพียงมัคคาหรือทางสําหรับเดิน สุภ า, านพมีความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาของพระอนุน์จวนจะเข้ารรษาพระอนุน์จิงจาริกสูเ่เบญจกิรินครเพื่อประชุมธรรมสักยนาพระพิสุที่ล่วงหน้าไปก่อนได้ขออุปถัรรมภ์จากพระเจ้าอาชาติต่ศัตรูให้ซ่อมแซมที่พักสง์ถึงสิบแปห่งและตกลงใจจะประชุมสังคยนาที่หน้าถ้ำสัตบัญชงเวภาลบันพศ พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับเป็นสาสนูประถมพกโดยตลอดทั้งเรื่องอาหารและที่พักที่ประชุมพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงให้สร้างมนตดบงดงามอัมภัยพันประหนึ่งในละมิตรโดยหัตแห่งวิศวกรรมเทพบุตรมีฝาเสาและบันไดจัดแจงเป็นอย่างดีอารามด้วยมาลากรรมและรดากกรรมประเภทต่างๆงามชดช้อยยิ่งนัก รพระราชมณีนสถานหรือวิมานแห่งเทพปุมีศักดิ์มิปานได้เจอจ้าสงารุ่งเรืองประหนึ่งจะรวมเอาความงามในโลกทั้งมวลมาไว้ในที่แห่งเดียว ตกแต่งมณฑปเพลิดพลายดังวิมานพรมมีเพดานทองประดุดข้าบพวงดอกไม้อันมีกลิ่นหอมประทินใจลงมาบุพชาตินาน า, นาพันธ์หลากสีต่างมาชุมนุมกันณที่นี้ภูมิสถานล้ลานแววาวประดุดปูลาดโดยแก้วมณีอันสุกใสเสร็จแล้วทรงให้ปูเครื่องลาดอาสนะอันควรแก่สมณนะมีค่าประมาณไม่ได้ 500้อยที่เพื่อภิกษุห้0ร้อรูปในมณฑปนั้นทรงให้จัดอาสนะแห่งพระเถระชิดทางด้านทิศทักษิณผินพักไปทางทิศ ด, ดอนทรงให้จัดที่ประทับสำหรับพระผู้มีพระภาคาศาสดาหันพระพักไปทางด้านบุรพาณท่ามกลางมณฑปนั้นเสร็จแล้วทรงประกาศแก่สงฆ์ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายกิจของข้าพเจ้าสําเร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องต่อไป แล้วแต่พระคุณเจ้าเถิดเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวจะถึงวันประชุมสังคยนาแต่พระพุทธะอนุชายัางไม่ได้สำเร็จอ ร, รหัตผลคงเป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นภิกษุบางรูปได้เตือนพระอนนว่าขอให้ท่านเร่งทำความเพียรพยายามเข้าเถิดพรุ่งนี้แล้วจะเป็นวันมหาสนิบาตมีระเบียบอยู่ว่าผู้เข้าประชุมทั้งหมดจะต้องเป็นพระขีนาสพ ตั้งแต่เดินทางมาถึงเบนจ์จรีนครพระอนนท์ได้ทำความเพียรอย่างติดต่อเพื่อให้ได้บรรลุอรหัตแต่หาสำเร็จตามประสงค์ไม่ในคืนสุดท้ายนั่นเองท่านได้เริ่มทำความเพียรตั้งแต่อาทิตย์อัสดงตั้งใจยอย่างมั่นคงว่าจะให้ถึงพระอรหัตในคืนนั้นปทุมยามล่วงไปแล้วก็ยังไม่อาจทำอาสบะให้สิน้นล่วงเข้าสู่มัชิมยาม พระพุทธะอนุชาทำความเพียรต่อไปท่านระลึกถึงประนาหัดของพระาศาสดาที่ประทานไว้ก่อนปรินิพานว่าอานนท์เธอเป็นผู้มีบุญได้บำเพ็ญสั่งสมมาแล้วมากเธอจะได้บรรลุอรหัตผลในไม่ช้าหลังจากเราปรินิพานแล้ว พุทธดำรัตนี้ได้ก่อความมั่นใจแก่พระอนนุนเป็นอันมากและความมั่นใจอันนี้อีกเหมือนกันที่ได้กระตุ้นจิตเร้าใจให้ท่านทําความเพียรอย่างไม่หยุดยัง้งจวนจะกึงมัชชิมายามนั่นเองท่านคิดว่าท่านจะพักผ่อนเสียหน่อยหนึ่งแล้วจะทําความเพียรต่อไปตลอดลาตรีท่านจึงลงจากที่จงกรมล้างเท้าให้สะอาดแล้วทอดกายลงขณะล้มตัวลงศรีรษะยังไม่ทันถึงหมอน และยกเท้าขึ้นจากพื้นนั่นเองจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวลสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภิญญาสมาบัติ